ีเนเป็นพื้นนฐาลัง่าาวมองพากันตั้งใจจะพูดธรรมะให้ฟังคนเรามันต้องมีคุณธรรมอันดีงามเป็นเครื่องอยู่ในใจจึงค่อยเป็นคนดีได้ เพราะว่าในกายในจิตใจของคนเรานี่มันมีทั้งทำส่วนดีมีทั้งทำส่วนชั่วปนเปนกันอยู่ในจิตใจแต่มันเกิดขึ้นคนละพราวกันคราวใดมันคิดชั่วขึ้นมาความดีมันก็หายไป เราได้มันคิดดีขึ้นมาอามชั่วมันก็หายไปบางทีมันก็คิดไม่ดีไม่ชั่วคิดเลื่อยเปื่อยไปอยู่อย่างนี้เมือนี้พระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นเลือกอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นเครื่องอยู่ ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นออกไปการมาวิตกพยาบาทวิงตกวิหิงสาวิตกความตึกนึกคิดไปในกามทั้งหลายท่านก็ว่าเป็นอกุศลเหมือนกันพยาบาทวิตกความคิดจองเวนคนอื่น แก้แค้นคนอื่นก็เป็นอกุศลวิตกในว่าความคิดที่เป็นบาปความคิดวิตกเบียดเบียนผู้อื่นทรมานสัตว์ให้ได้รับจ็บความเจ็บปวดด้วยทุกขเวทนาต่างๆเช่นชนไก่กัดปลา ชนวัวชนควายอะไรมือนี้ขึ้นชื่อว่าการต่อสู้กันแล้วมีการพนันขันต่อเอาเงินเอาทองกันแล้วให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความลำบากบางตัวก็ถึงตายไปก็มีอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนเป็นอกุศลวิตก เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปคิดยินดีกับการเอาสัตว์ต่อสัตว์ไปทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วคนดูแลสนุกสนานเฮฮาอะไรพวกนี้ไม่ควรเลยสำหรับผู้เป็นชาวพุทธผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเช่นนี้จึงไม่ควรแท้ ในการที่ไปทำเช่นนั้นน่ะแสดงว่าจิตใจมันขาดเมตตากรุณาในสรพพสัตว์ทั้งหลายมันจึงทำลงได้ถ้าหากว่าผู้ที่มีเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนี้มันจะไม่ทำเลยมันจะไม่ทำจะต้องเว้นแน่นอนทีเดียวเพราะสัตว์มันไม่รู้อะไร มันได้กินอาหารกับคนเท่านั้นเองคนเอาอาหารจ้างมันให้มันตีกันให้มันกัดกันให้มันชนกันอ่หมูเนี่ยไม่เหมือนอย่างคนนะคนนี่มันสมัครใจเองอันนี้นะโดยที่ไม่มีใครวบยยุแย่เลยสมัครใจอยากทำมาหาเลี้ยงชีพแบบนี้แบบชกมวยนะอ่าเนี่ย แล้วมันได้ฆ่าตัวที่นี้นั่นแหละถึงตายลงก็ไม่ผู้จัดก็ไม่มีความผิดเพราะว่าตัวเองสมัครแล้วเขาก็ให้เงินแล้วตนเองไปชกกันตายนันเป็นเรื่องของตัวเองทางหากนี่มันเป็นยังไงมันต่างกันกับเอาสัตว์ไปทำร้ายซึ่งกันและกันเหตุนั้นพระองค์เจ้าถึงว่าการ เบียดเบียนเช่นนั้นน่ะมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองนี่แหละคนเราเนะี่ยเกิดมาในโลกนี้แล้วมีแต่โรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียน ร, รักษาอย่างไรก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละบางคนก็ทรมานไปจนตาย อย่างพระเถระองค์หนึ่งแต่ข้างพุทธเจ้านั้นตั้งแต่ศาสนาพระกัตปะสมมาสพุทธเจ้านั้นเพื่อนไปเป็นผ่านนกไปจับนกได้มาแล้วก็มาหักท้าหักปีบวางไว้ที่หน้าบ้านคนผ่านไปมาก็มาซื้อเอา ไปทำอาหารกินกันบานี่บาปกรรมนั้นก็ตามมาสนองเมื่อทั้งเกิดมาในชาติศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่เกิดในเมืองสาวถีมีศรัทธาออกบวชพอบวชมาแล้วไม่ทราบว่าได้กี่พรรษาท่านก็ไม่ระบุไว้แจนมีลูกสิษ์ลูกหาเนี่ยปะคงจะได้หลายพรรษาอยู่ คาเพ็ยนอันนั้นตามมาสนองทําให้เกิดตุ่มทั่วตัวเลยตุ่มนั้นก็ตุ่มใหญ่ซะด้วยวันนี่ก็พอมันสุกเต็มที่มันก็แตกออกหน้องไหลเ ย, ยิ่อมทั่วตัวเลยอ่าวะ น, นี่ก็ไม่รู้จะทําไงองทรงกินแล้ววันนี้ลุกสิทป์กหาไม่อยากเข้าใกล้เลย ลูกศิลุลูกหาก็ทำถ้าทอดทุระไปท่านก็นอนสมอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเล่งงานสองสัตว์โลกจึงไปต้องขายพยานของพระองค์ท่านองค์นี้พระองค์จึงเดินมาถามข่าวๆแล้วก็ทำถ่าจะ ก่อไฟขึ้นต้มน้ําซักผ้าซักผ่อนให้พระเน้นทั้งหลายเห็นเช่นเดียวกับกูรีกุจอกันไปทําออต้มน้ําเดือดแล้วก็เอาผ้านุ่งไปลวกน้ําร้อนเอาผ้าจีวรห่มไว้สะก่อนเอาผ้านุ่งไปลวกน้ําร้อนซักกอกอให้สะอาดตากให้แห้งเออแล้ววันนี้ก็ เอาผ้าซุกน้ำอุ่นมาถูตามตัวตามแผลพวกนั้นแหละที่เน่าเปื่อยให้มันสะอาดไปทั่วตัวเสร็จแล้วก็เอาผ้าสบงมานุ่งให้เอาจีวรไปลวกน้ำร้อนไปซักกอกตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาห่มให้เมื่อเวนุ่งหมผ้าเรียบร้อยแล้ว พระศา ส, สดากรกทับยืนอยู่บนศรีรษะแล้วก็จึงเลตรัสพระคาสานี่ว่ า, อ, าอะไรอะจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสชาติชุดโดอาเปตะวิญญาโนนิรัสถังคริงขลัง ร่างกายนี้ไม่นานหนอไม่จิรังยั่งยืนเลยมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแปรปรวนแตกดับไปอุปมาเหมือนอย่างฟองน้ำที่มันเกิดตั้งขึ้นแล้วมันก็สลายไปเมื่อวิญญาณคือจิตนี่แหละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วชุดโดรร่างกายนี้ก็ของเป็นของเปล่า จากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นท่านจงพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางอย่าไปถือมั่นว่เาเป็นเราเป็นเขาเพราะองตรัสเท่านี้แหละท่านองค์นั้นถ้าพิจารณาตามก็ได้สำเร็จอรหรันเมื่อสํา ร็ิอรหันต์แล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานไปเลยเพราะว่าร่างกายมันใช้การไม่ได้แล้วนี่และโทษแห่งการเบียดเบียนสัตว์นะทำสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้ทุกข์ทนทรมานจะตาย ก, ก็ไม่ตายอย่างนี้นะเวลากรรมเนี่ยมันตามมาสนองมันเกาะมาบันดาลให้ มีโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอย่างที่ว่านั้น่นืงเบียดเบียนเอาซะอย่างรุนแรงยารักษายังไงใส่ยังไงทายัางไงมันก็ไม่หายอันเมื่อกรรมเวีนมันให้ผลแล้วมันเป็นอย่างนั้นกามวิตกที่ท่านจัดว่าเป็นอกุศลวิตกนั่นหมายความว่าเมื่อบุคคล พี่ตกไปในกามพอใจในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนั่นแล้วก็ไปแสวงหาคันเมื่อแสวงหาในทางสุจริตไม่ได้ก็แสวงหาเอาในทางทุจริตก็ดังที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้แหละไอ้คนไม่ถือว่าบาปกรรมอันนี้ถือว่าเป็นของเล็กน้อย แล้วก็สร้างเครื่องจับสัตว์ขึ้นมาแล้วก็ไปจับสัตว์เช่นหลักอวนท่อแทสตกเม็ดเป็นต้นเหล่านี้นะนี่มันก็เกิดจากกรารมัวิตกนั่นแหละความใคร่ความอยากกินอาหารมีรสอร่อยอะไรต่ออะไรหมดนี่นะนั่นไงมันติดรสชาติของอาหารเหล่านั้นเหตุนั้นจึง ยอมเป็นบาปเป็นกรรมมันจะบาปกรรมอย่างไรก็ยอมทั้งนั้นเลยนี่นหะที่ว่ากามมวิตกนะมันเป็นบาปอากุศลนนแต่ถ้าหากว่ามันวิตกไปในความรักความใคร่ถ้าหากว่ารักใครอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นบาป แต่ว่าน้อยคนนะไอ้ผู้ผัวพันอยู่ในกรรมคุณจะไม่ทำบาปนั่นนะ่ะถ้าจะว่าแล้วเห็นจะต้องมีแต่พระโสดาบันนะ่ะไอ้คนธรรมดาสามัญ น, นี่ไม่มากกว่าน้อยแหละการทำบาปนะนะเพราะว่าสติไม่สมบูรณ์ความพลังเผลอหลงลืมไปก็มีหรือบางทีกิเลสมัน ครอบงมจิตใจอย่างรุนแรงมันทนไม่ไหวบาป ก, ก็ยอมบาปเอามันเป็นไปอย่างนั้นอันอำนาจของกิเลสนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลเรานี้ตายแล้วไปตกนรกมาเหมือนกับข้อสารยัดไถ่เหมือนก็คงเป็นความจริงนะ่ะถ้าพิจารณาโดยเหตุผลในปัจจุบันนี้แล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันทําบาสนี่ ไปฆ่าตัดตัดชีวิตไปช่อไปโกงหลอกลวงเอาสมบัติฟูนเาเป็นของตนอย่างนี้นะแล้วก็ไปทำาชกับเมียหรือผัวของคนอื่นมีอยู่ดาดื่นเลยไอ้ข้อนี้ก็ดีนะเรื่องนี้นะแต่ว่าบุคคลไม่สามารถที่จะทำ อยากเปิดเผยคนอื่นเห็ น, นเข้าโรงแรมเขาเรียกว่ามาหรืออะไรทานองนั้นมันไปอย่างนั้นเมื่อมันความอยากความต้องการมีมากเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็การไปติดต่อซื้อซื้อขายขา ย, ขายก็ไปหลอกลวงเอาของคนโง่เขา อซื้อถูกๆแล้วก็ขายแพงๆเอากําไรมากๆอะไรโมนี้นะนี่มันก็เกิดจากกา ร, รมารวิตกนี้ทั้งมันแหละเป็นมูลเหตุนะนั่นแหละการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนโมนี้มันก็เกิดจากกา ร, รมารวิตกกามะแปลว่าความใคร่นี่ มันไม่ใคร่ตั้งแต่เรื่องผัวผัวมีเมียอย่างเดียวนะมันใคร่ไปในรูปอื่นด้วยเสียงอื่นด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสด้วยืมูมนี้จิตใจมันร่านไปในอารมณ์ต่างๆหมู่นี้นะนี่แหละอันมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรม ไม่ไม่สะดุ้งหวัดกลัวต่อบาปกรรมนะมเมื่อกิเลสตัณหาความรักคงใครอันนี้มันครอบงาจิตแล้วทำให้จิตกระด้างกระเดืองมองไม่เห็นบาปบุญคุณโทษอะไรเลย อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นล่ะชาวพุทธทั้งหลายควรรู้ไว้ ความมุ่งหมายแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพราะองค์มุ่งหมายให้คนเราพยายามเพียรละความชั่วออกจากกายวาจาใจของตนนี้ให้ได้ถ้าผู้ใดไม่คิดว่าจะเพียรละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้เช่นนี้นั่นแม้จะนับถือพระพุทธศาสนานี่ไปจนตลอดชีวิตมันก็พ้นจากทุกในอบัยภูมิไปไม่ได้เลย อ, อย่าไปเข้าใจว่าผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วจะไม่ไปตกนรกไปได้เพราะนับถือแต่ปากเฉยแต่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งใดที่พระองค์เจ้าสอนให้วิรัติละเว้นก็ไม่ละไม่เว้นตามอย่างนี้นะสิ่งใดที่พระองค์สอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นให้มากมาก ก็ทําเพียงนินดๆหน่อยๆ อ, อย่างนี้พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยเท่านั้นแล้วอย่างนี้น่ะจะให้มันค้นนรกอบายภูมิไปได้ยังไงอ่ะทําบาปมากกลัวทําทบุญพลง่ายวะเนาะเออเป็นงนั้นนี่เรียกว่าเราพูดกันอย่างเปิดอกไม่มีการปิดบังแล้วถ้าไปมัวจะปิดบังอยู่เนี่ย คนผู้มีวัฒนาบารมีมันก็จะไม่ตื่นตัวไม่รู้อ่ะไอผู้มีบุญน้อยผู้กิเลสหนาจริงๆนั่นแม้เราจะแสดงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรต่ออะไรฟังมันก็ไม่สนหรอกไม่สนใจจะเอามาคิดมากลองพอจิตมันหนาแน่นไปด้วยกิเลสมากมายสำหรับผู้ที่มีกิเลสเบาบางสักน้อย นั่นพอรึกได้เมื่อได้ฟังคาสั่งสอนอย่างนี้แล้วก็เกิดความสะดุง้งว่ดกลัวต่อบาปต่อกรรมขึ้นมาบางคนก็เลยละเว้นได้ก็มีหากว่าไม่เทศไม่แนะนําสั่งสอนไม่ชี้ให้เห็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณโทษเสียเลยอย่างนี้มันยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งมืดมนอ น, อ น, อนทการ ยิ่งทำชั่วหนักเข้าไปเรื่อยๆคนเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่แสดงธรรมนี่ก็แสดงเผื่อคนผู้มีบุญวาสนายินดีในการฟังยินดีในคําสั่งสอนของพระทีเจ้าเท่านั้นเองนะไม่ได้นึกคิดว่าผู้ที่ไม่เลื่อมใสไม่ยินดีนั่นเขาจะมาฟังเขาจะพอใจอ่ะไม่ได้นึกไปถึงเลย พอถึงยังไงเขาก็ไม่สนใจแน่นอนผู้สนใจในพระพุทธศาสนาหรือสนใจในคำสอนของพระเจ้านี่ล้วนแต่เป็นคนมีบุญได้ทำมาแต่ก่อนทั้งนั้นเลยมุญเก่านั่นแหละมันมาดนจิตดนใจทำให้มีความทราบซึ้งในรสแห่งพระธรรมคำสอนของพระเจ้า มันรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาด้วยตนเองอ่ะออมันเห็นคนมีบุญนะบุญนั่นแหละเป็นเครื่องชี้บอกชี้บอกขิดนะบอกว่าพระธรรมคาสอนของเจ้านั้นชี้นทางออกจากทุกข์ให้อย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละความสําคัญมันอยู่ที่ว่าคนเราน่นี่ะ บางคนก็เห็นทุกข์เห็นภายในสงสารบางคนก็ไม่เห็นอย่างนี้นะผู้ไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารนั่นแหละไม่สนใจในคำสอนของพระเถเจ้าเนี่ย ว, ว่าเมื่อไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากค้นทุกข์ผูง้ง่ายๆอันผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วว่านี่อยากค้นทุกขนะ์ดังทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไปได้ อนเนีก็มานื้อเห็นแต่คําสอนของผู้เผยเจ้าเท่านี้แยละก็คาสอนอื่นๆนั้นเมื่อฟังดูแล้วนั้นเหตุผลไม่เพียงพออ้างเหตุอ้างผลไม่เพียงพอพิจารณาไปแล้วหาความจริงอะไรก็ไม่ได้ส่วนคําสอนของผู้เผยเจ้านี่ทนต่อความพิสูจน์ทนต่อความเพ่งพินิษ เพ่งพินิษเข้าไปเท่าไรความจริงยิ่งปรากฏออกมาให้จิตรู้ให้จิตเห็นเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นซึ่งว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านจึงสอนให้ทำใจสงบให้ตั้งมั่นลงไปเสียก่อนเมื่อใจตั้งมั่นแล้วเราเพ่งดูทุกอย่างนี้ก็เห็นทุกได้โดยแจ่มแจ้ง ก็พยายามไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารนี่แหละพูดกันง่ายๆอบรรดาผู้เกิดมาในโลกนี่นะอันถ้าหากว่าไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในชีวิตนี้ยังสําคัญว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่เป็นสุขสบายดีอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ขวนขวายในการบุญกุศลไม่แสวงหาทางออกจากทุกข์เหล่านี้เลยอืม ผู้ที่สนใจในการทำบุญกุศลสนใจในคำสอนของพระติเจ้านี่แสดงว่าผู้นี้ผู้นั้นเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์จริงจริงอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนพิจารณาให้มันเห็น เห็นว่าความโศกเศร้าเสียใจพิไร ล, ลำพันธความคับแค้นใจต่างๆความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็ดีความได้พบกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็ดีความพัดภากกักบุคคลที่ตนรักตนชอบใจก็ดีหมัวนลรวนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เมื่อบุคคลไม่ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในไปเพ่งพิจารณาแล้ว แม้มันเป็นทุกข์มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเฉยๆเนี่ยมันไม่มีอุบายไม่ไม่คิดหาทางพ้นจากทุกข์เหล่านั้นมันก็มีแต่ร้องแต่ครวนคลางไปตามกระแสของความทุกข์นั่นแหละเป็นอย่างนี้ลองสังเกต ด, ดูคนเราเป็นอย่างนี้ระส่วนมากนะเมื่อมันทุกข์หนัหนกๆเข้ามาก็ร่องหาพ่อหาแม่ร่องหาพระเทวนาอินพรม อะไรต่ อ, อะไรไปล่ะนี่เบงันเ น, นืน่ ก, กว่าสิ่งสักทแล้วจะมาช่วยตนให้หายเจ็บหายปวดทุกขเวทนาต่างได้แต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่าทุกขมันมีอยู่ในขันห้านี้ใครจะมาช่วยกาจัดทุกออกจากขันห้านี้ไปได้นอกจากตัวเองจะรู้เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเอง ทุกนี้ละไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้กําหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเราก็ปฏิบัติตามเนี่ยเราก็กำหนดรู้เท่าอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไม่ให้จิตมันแปรพรนไปตามกระแสแห่งความทุกข์นั่นๆนกาหนดจิตอยู่ที่จิตจิตรู้เท่าทุกว่าขันหานี่เป็นทุกขไม่ใช่เราเป็นทุกทุกขนั่นเป็นเรื่องขันห้า แต่ว่าเราอาศัยขันห้าอยู่เมื่อจำเป็นต้องรู้เท่าทุกข์หรือรู้เท่าขันห้าเมื่อรู้เท่าขันห้าก็เหมือนกับว่ารู้เท่าทุกข์นั่นแหละเพราะขันห้านั่นแหละเป็นก้อนทุกข์ก็อย่างนี้แหละอันบุคคลที่จะไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาเวลาเจ็บหนักกรงและจะไม่เรียกร้องหาใครมาเป็นที่พึ่งมาช่วยมาเหลือ อะไรอย่างนี้จะไม่เรียกร้องหาใครเลยจะควบคุมใจของตนให้ตั้งมั่นทำความรู้เท่าทุกขเวทนาอยู่ตามธรรมดาแล้วก็ซ่อนจิตให้เบื่อให้หน่ายต่อขันทั้งห้าอันมันกําลังแปร่พนจะแตกแะดับอยู่นั่นะเมื่อมันจิตมันเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วมันก็คลายความยึดถืออืม เมื่อคลายความยึดถือแล้วมันก็วางอุเบกขาลงได้แม้จะเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยู่ก็ตามแต่ความรู้สึกนะั่นถึงเป็นอุเบกขาคือว่าไม่ยินดีไม่เย็นร้ายกับขันห้านั้นขันห้านั้นมันจะแปรปวนมันจะดิ้นรนกระซับกระสายอย่างไรแต่จิตไม่กระซับกระสายดิ้นรนไปตาม อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆเสมอนี่ผู้ปฏิบัติทางจิตใจนะให้เพิ่งเข้าใจเราปฏิบัติไปนี่เตรียมตัวตายนะไม่ใช่อย่างอื่นใดพูดกันอย่างง่ายๆเพราะเมื่อเวลาจวนจะตายลงเวลามันทุกขหนักดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้แต่นน่นๆเลยอ่า เมื่อเราเตรียมตัวไว้แต่เนินเน่นๆแล้วอย่างนี้ถึงเวลานั้นมาแนละ้วมันก็ไม่หวั่นไหวลนะมันก็สู้ได้แบบนี้อืมีสติเต็มที่รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงไม่ถือมันว่าเป็นเราเป็นของของเราถึงแม้ว่าจะละอุปทานเด็ดขาดลงไปไม่ได้แต่ก็บรรเทาลงไปถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่แน่นะบางที กขอาจจะละอุปทานความยึดมั่นในขันหานี้ลงได้ก็จะพ้นทุกข์้นภัยในวตาสสงสารไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้